ความรู้ตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือนั้นเราจะเรินสติไม่ใช่เพื่อเครื่องมือเราจะเรินสติจริงๆเนี่ยเพื่อเราจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจับหลักให้แม่นๆเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่นเราอยากรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริง ถ้รู้ตามความเป็นจริงว่าจะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปเองเพราะงั้นความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดหลุดพ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงมีเครื่องมือในการที่เราจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่การคิดใช่ไหมคิดเราได้ความคิดเราไม่ได้ความจริงการอ่านการฟั ง, งนั้นได้ความจํา เพรฉะนสุดตามญยปัญญาให้เราได้แค่ความจำการคิดจิตตามยายปัญญาให้เราได้แค่ความคิดอันนี้แหละคือคำตอบที่ว่าทำไมเราต้องเจริญสติเจริญสติคือการทำตัวเองให้กลายเป็น observer ผู้สังเกตการเท่าะนั้นไม่ทำอะไรมากกว่านั้นอันนี้ผู้สังเกตการที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอย่างไงต้องรู้อย่างซื่อสัตย์ใช่ไหมไม่งงแตแอน รู้ไปตามธรรมชาติจริงๆไม่เอาความคิดความเห็นไม่เอาความรู้สึกของตัวเองใส่ลงไปตรงนี้แหละที่หุวงพ่อพยายามบอกว่าให้เรารู้เฉยๆนะให้เข้ารู้รู้สึกตัวตามธรรมชาติเราแต่ละคนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนี้ยเราสามารถรู้ได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วโกรธเราก็รู้รักเราก็รู้เนะ เกลียดเราก็รู้ใกล้เราก็รู้อะไรเขารู้หมดน่ยเรารู้จักสภาวะทำอยู่แล้วนะยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ได้อยู่แล้วเพราะงน้นรู้ไปตามธรรมชาติรู้ตามที่เป็นปัจจุบันจริงๆเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ถ้าเริ่มต้นในการดัดแปลงใจของตัวเองเราก็คือเราไม่ทําตัวเป็น observer ที่ดีแล้ว <Yeah. S 1> เราเริ่มทําตัวเองให้คลืมคลืมทำให้ซึมซึม นะให้ดูเคร่งเคร่งนั่นเริ่มดัดแปลงแนละ้วนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการดัดแปลงก็คือปัญหาและทิตทิศปัญหาคือความอยากเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็ น, อ ย, ปนอยากได้เริ่มต้นก็อยากแล้วนะอยากดูดูซิดูแล้วมันจะมีอะไรมีอะไรให้ดูบ้างอยากเราไม่รู้เท่าทันเัวเราเป็นผู้สังเกตการที่ไม่ดีแล้ว หรือเรามีความเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องความเห็นที่ผิดว่าต้องอย่างนี้ถึงจะดีต้องทาอะไรสักหน่อยต้องช่วยมันคิดสักนิดหนึ่งต้องพิจารณาคนา้นคว้าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นี่ออนนนเป็นเรื่องของความเห็นล้วนๆการที่เรามีความอยากคือตัณหามีความเห็นคือมิจฉาทิฐิเนะี่ยทำให้เราเป็นออฟเซอร์ที่เร็ว เราไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วตัวอย่างยุงกัดเราคันเนียถ้าเราคันเราก็เพ่งไว้ <S <S 1> <S 1> เพ่งใจของตัวเองไว้ไม่โกรธยุอยงอะเบียงเบนแล้วเราไม่สามารถสังเกตการตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเรายัางมีอนุสัยคืงความโกรธอยู่ <S <S 1> <S 1> อนุสัยนี่ไม่กล้าทํางานขึ้นมาเพราะเราปิดจ้องมันไว้ไปเพ่งมันไว้ หรือว่าเราเผลอไปใจลอยไปเราก็ไม่สามารถเป็นผู้สังเกตการได้อย่างเวลาทหารอะางเงี้ยนะเขาเป็นผู้สังเกตการไปดูว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนถ้ามันใจลอยมันก็ดูไม่เห็นก็เรื่องง่ายๆเท่านี้แต่ถ้าเราเพ่งเราก็เบียเบ่ยงเบนพอเริ่มต้นคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มทำใจให้นิ่งๆให้สุมๆ แทนที่เราจะเป็นผู้สังเกตการแบบทหารที่มีกล้องสองตาสอ ง, สองดูไปเรื่อยๆสบายๆเราก็เริ่มตั้งกล้องคลิปให้อยู่กับที่คิดเอาเองว่าข้าสึกต้องเดินทางช่องเขาอันนี้ไม่เดินที่อื่นคิดเอาเองอ่ยีเลท จ, จะต้องโผล่ตรงนี้เราจะจ้องคลิกตัวเองให้อยู่กับที่ก็นั่งจ้องจ้องจ้องเห็นมีอะไรมา วิเล็ตอ้อมมาข้างหลังแลเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปทำาัวเองให้สึมๆทื่อๆนิ่งๆไม่ใช่จงใจจ้องลงไปที่จุดใด จ, จุดหนึ่งไม่จ้องแล้วนะไม่ทำอะไรเลยเปิดใจของเราให้กว้างๆให้สบายๆรับการกระทบทางอายตนะทั้งหกไปตามธรรมชาติกระทบแล้ว ปล่อยให้จิตใจเกิดปฏิกิริยาตอบสนองไปตามธรรมชาติเราก็จะรู้ได้ความจริงได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีอนุสัยอะไรซ่อนอยู่บ้างการมานุสัยก็มีนะปฏิกานุสัยความไม่ชอบใจความโสดความหงุดหงิดก็ยังมีมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นไม่ใช่เราปิดกลบเขาไว้เราปิบด้วยการทําตัวให้ทื่อๆคนด่าก็ไม่โกรธ ใครทำอะไรก็ไม่โกรธเฉยเราคิดว่าเราดีคือเราข่มไว้นะต้องจับหลักให้มันม่นๆนะเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐิคือทฤษฎีที่ถูกอั้เบิร์ตใช้จิตใจตามธรรมดานิมาศึกษาตัวเองศึกษาลงไปที่กายที่ใจของตัวเองอยร่างกายเราเป็นยังไงเราก็รู้ทันอยาให้มันหายไปจากโลก ถ้าไม่รู้กายก็มารู้ใจไม่รู้ใจก็มารู้กายไว้ถ้าเรารู้อยู่ที่ใจเราก็จะเห็นใจเนี่ยจิตของเรานี่มีนานาชนิดบางทีก็เป็นจิตที่ไปคิดใช่ไหมห้ามไม่ได้หรอกเขาจะิตบางทีก็เป็นจิตที่รู้ตัวบางทีเป็นจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่ นิบากนิบาดจิตไม่ดีไม่ชัว่วเป็นการรู้ไปตามธรรมชาติไม่มีดีมีชั่วอะไรพอกระทบตาหูจมูกลิ้นใจใจแล้วเกิดกุศลอ่กุศลอันนี้เกิดที่ใจแล้วตอนไหนมันเป็นการรู้ทางตาเราก็ ร, รู้ว่ารู้ทางตารู้ทางตาแล้วใจเกิดปฏิกริยาเกิดกุศลอ่ะกุศลลราก็มารู้ที่ใจของเรารู้ไปตามธรรมชาติไม่ตรึงให้นิ่ง สนใหญ่จะเริ่มต้นก็เริ่มไปจ้องไว้ที่ใจก่อนใช่ไหมจะดูจิตนี่ได้ยินคำว่าดูจิตนั่งจ้องนยดูซึไม่มีอะไรให้ดูก็เท้ายวควานหาให้จะดูอะไรดีจะดูอะไรดีเราไม่ทําอย่างนั้นเราไม่จ้องเหมือนที่หลวงพ่อบอกเหมือนทหารเรากล้องไปตั้งอยู่ตรงซ่องเขา อ, อันหนึ่งจ้องอยู่ที่เดียวคิดว่าข้าศึกจะต้องมาทางนี้คิอว่ากิเลสจะต้องมาทางนี้มันไม่ใช่ ไ่ต้องอยู่ไม่มีอะไรมาจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วการรู้มันจะเป็นธรรมชาติไม่ให้เกี่ยวยนยนกนบเรื่องความอยากหรือการบังคับคิดโดนไหมห น, นีไปคิดแวบหรือพันไหมแค่รู้ไปอย่างนี้เล ไ, ไม่ห้านนะ แต่ว่าเขาทําอะไรจิตเขามีพฤติกรรมเลยนั่นที่เรารู้ทันท่านั้นเอยรู้อย่างที่เขาเป็นเท่านั้นเองจะเห็นเลยว่าเขาไม่เคยอยู่นิ่งเลยเขาไม่เคยเป็นไปอย่างที่เราบังคับเลยกายนี้จะบังคับให้อยู่กับที่ก็ <S <S <ท>ไม่ได้เดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวความทุกข์บีบคั้นก็ต้องเคลื่อนไหวส่วนจิตเนี่ยอยากให้อยู่นิ่งก็ไม่เคยอยู่นิ่งจริงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเนี่ยเป็นจิตชิดแล้วใช่ไหม เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตชิดเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปรู้ดูรูปดูฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นราคะโทสะโมหะนานาชนิดหนึ่งเราก็จะค่อยๆเห็นว่าจริงๆแล้วจิตนี่หลากหลายเหลือเกินะอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดแล้วดับเหมือนๆกันหมดเลยทั้งอารมณ์ทั้งจิตนี้ี่แต่เกิดกระดับเกิดกระดับตลอดเวลาเนี่ย ร่างกายก็ต้องเคลื่อนไหวหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกเนะดื่มน้ำเข้ากับตวะออกกินอาหารเข้าถ่ายออกนะเห็นแต่ธาตุหมุนไปหมุนมามีสติรู้อยู่ในกายในใจของเรานี่เองก็ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดนะ นี่ยรู้เองเนี่ยรู้ไปตามธรรมดายี้ไม่ใช่จ้องไม่ใช่รอไปจ้องไว้ก่อนที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหาจุดอะไรม่จว ก, ก็กวานไม่ใช่แต่ทาตัวให้มันสบายอะไรขุดขึ้นทางไหนก็รู้ทั น, นเลยมเจฉกไหมจิตมีนาน า, นานชนิดเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เพ่ง เนี่ยเป็นจิตที่คว า, หานหานานาชนิดเนี่ยนั่นหละล้วนแต่สแสดงว่ามันเกิดดับไปแล้วเราเลือกได้ไหมไม่ไ ด, เดเเ้เดี๋ยวเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเ็เป็นอย่างนี้เราเลือกไม่ได้เลยเนี่ยล้วนแต่สแสดงธรรมะให้เราดูทั้งหมดความจริงนั่นเองความจริงที่ว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ เรจะดูออกไห ม, มดเดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้ค่อยๆทันนะะแต่ก็เป็นนิ่ก็ไหว่หัดหน้าที่เราก็มีแค่นี้นะเมื่อแต่ฝึกอยู่ตรงนี้มยมาหลายทีแล้วเรียนให้มันจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวคนมาเยอะเรียนยาก <c oughs> เห็นไหมเราไปนสนใจเท้า <c oughs> เราหายเห็นไหม แค่นี้เองเมื่อเราได้อะไรเออทาแค่นี้เราได้อะไรได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่คุณเของที่บังคับไม่ได้หรอก เ, ออเขาเคลนไหวไปตามธรรมชาติของเขาวงการไม่ได้เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวเป็นมิบากคือ เ, เฉยๆกลางๆเกิดมาันจะา ก, กรรมเก่า ตามมองเห็นเนี่ยจะห้ามไม่ให้เห็นก็ไม่ได้หูได้ยินเสียงจะห้ามไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้จิตแล้วใช่ไหมเป็นจิตที่คิดแล้วก็รู้ว่าเป็นจิตที่คิดไปจิตที่คิดแล้วเราลืมตัวนี้คืออะไรรู้ไหมเจิตที่เป็นโมหะจิตที่ประกอบด้วยโมหะโมหะชนิดที่เรียกว่าอุทธัจจะความฟุง้งซ่าน เขาแอบไปคิดพุ่งไปโดยเรารู้ไม่ทัน <c oughs> มันก็คือจิตนาช น, นิดนั่ น, นเองเห็เหตุไหมว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็ก็หายไปเราจะสั่งไม่ให้เกิดเขาไม่ได้อยากให้จิตชนิดนี้เกิดก็ไม่ได้ทําไม่ได้สักอย่างเลยทําตัวเป็นผู้สังเกตการที่แท้จริงแล้วจะพบว่าเราทําอะไรไม่ได้สักอย่างในทางกลับกันนั้นถ้าเริ่มต้นก็เพ่งเพ่งเพ่ง กีเลสมาก็เข่งราข้ามาพิจารณาอสุภะตรงสามาแฝงเนี่ยต า, าจะทำเมียอยงเงี้ยในที่สุดจะหลงผิดว่าเราแก้ได้เราคุมได้จิตนี้เป็นอัตตาตัวตนในพวกฤาษีชีไสเนยเขาคุมจิตเขาอยู่ใช่ไหมคุมจิตจนคิอว่าจิตเป็นอัตตาพอตายแล้วอัตตาตัวนี้ไปรวมกับปรมาตมันรวมอยู่กับพระเจ้า <c oughs> ทำไมเขาถึงคิดว่าจิตเขาเป็นหัตตาเ้านั่งเข่งเนี่ยนั่งบริกรรมนั่งควบคุมแล้วควบคุมแล้วจนมันนิ่งอยู่อย่างนั้นเลยหารู้ไหมว่านิ่งไปเป็นกลับๆแล้ววันหนึ่งก็ดีขึ้นมาอยู่ดีดลงอบายด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลวงพ่อไม่สอนว่าให้นั่งแก้นั่งแก้ไปด้วยถ้านั่งแก้แล้วจะได้ความหลงผิดมา ธรรมดาก็หลงผิดอยู่แล้วราะว่ามันเป็นตัวเราเราไปพอกปูนให้มันหลงผิดหนักกว่าเก่าด้วยกันไปบังคับมันเห็นไหมเป็นน้สอ่นั่งทำอ่ะเออเนี่ยอย่างนี้เป็นธรรมดาที่สุดเลยเยเริ่มคิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเบิร์ดหัดตรงเนี้ย เขาหนีไปรู้รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่ก็รู้สึกตัวอยู่อะไรก็ได้ขอให้รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นยังไงเท่านั้นเอรู้ออกั้มว่ามันไม่คงที่เลยนานาชนิดเลยตอนที่เป็นจรู้คิมากมันยังแป่คคอคิคิดแล้วเนี่ยแหละเน่แหละ นะที่หลวงพ่อบอกให้เผิดใยๆคือเรื่องนั้นแหนะดีนะแวะก็รู้แวะก็รู้ไม่ใช่วแวะไปจนถึงเย็นเลยคนในโลกนี้แวบทีเดียวอย่างนี้นถึงเย็นเลยจนนอนหลับเลยของเราแวบแวบแวบจะเห็นแต่ ว, ว่าเกิดกระดับบังคับไม่ได้เห็นเม่อตอเกิดเห็นตอนที่มันดับเออไม่เป็นไรแตนะ่เห็นดับแล้วก็ยังดีเห็นตอนที่กำลังจะดับอะไรอย่างนี้น คือตอนที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดเพราะเราเผลอพอเรามีสติมันก็ดับก็แค่นี้เองดังนั้นเมื่จะไปเห็นตอนที่เริ่มเริ่มเผลอเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะไปเห็นตอนนั้นมันก็ไม่เผลอละเนี่ยเต้ารู้ไปทั้งวันเลนะจะเห็นจิตเป็นอย่างนี้จริงๆเลยโอ้โหทุกจริงๆเลยทุกล้วนๆเลยไม่ใช่จิตเป็นของวิเศษอะไร ร่างกายก็มีแต่ความทุกข์บีบคั้นเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้จิตใจก็ถูกอะไรก็ไม่รู้บังคับทิ่มแทงตลอดเวลาให้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีแต่ของที่ไม่คงที่ทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งใจมีเพ่งแนละ้ว รู้จักเพลงนีง่เพลงมันคือเราไปคอนเซนเทรตจนมันหยุดนี่ยี่ลงไปที่จุดเดียวจนนิ่งแล้วจะเห็นอะไรมันไม่เห็นลนะมันเป็นความหลงชนิดหนึง่งหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเราเฝ้าเรียนรู้ในที่สุดเราจะรู้สภาวะต่างๆมากมาย จิตเป็นอย่างนี้จิตมีมากมายหรือเกินเจตสิกมากมายหรือเกินแต่เราไม่ต้องไปใส่ชื่อมันหรอกไม่ต้องไปนั่งแยกแยะหรอกเราเห็นแค่ว่าบางสิ่งเกิดขึ้นมาเราก็หายไปได้เห็นแค่นั้นก็พอทำจริงก็พอแล้วไม่ต้องว่านี่คือราคะนี่คือนี่จีกิจฉานี่อะไรเงี้ยดะเห็นแต่ว่าไม่ไม่คงที่สักอัน การปฏิบัติแกนสารมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีความไหวตลอดกายก็ไหวใจก็ไหวเวลาเรารู้กายเราก็ไม่รู้ใจเวลาเรารู้ใจก็ไม่รู้กายจิตรู้อามรมณ์ทีละอันเห็นไหลงไปเห็นไหหลงไปปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อเขียนไว้ในเล่มขาวหนะลงไปปฏิบัติ จงใจจะปฏิบัติเหัดเรียนรู้สภาวะต่างๆในที่สุดเราจะรู้ทันรู้ทันแล้วเราจะได้อะไรไม่ได้อะไรหรอกรู้ทันแล้วความปรุงแต่งก็ดับไปแต่งแต่งนั่งเพ่งอยู่พอรู้ทันรู้เพ่งเพ่งก็ดับเปรอะไปคิดคิดคิดพอรู้ทันความคิดนั้นก็ดับความเปลอก็ดับในที่สุดสติเราเกิดมากเข้าวมากข้าวความปรุงแต่งน้อยลงน้อยลง เขาปรงแต่งขาดวัฟเดียวเท่านเราจะเห็นธรรมะที่เหนือความปรุงแต่งคือ <c oughs> ต, ต, ตัวมรรคผลยิ่างานส่วนการนั่งปรุงแต่งแต่งไปกี่ชาติก็ไม่เห็นมรรคผลยิพงคนนันเพราะการปรุงแต่งของเรานี่ยแหะปิดบง <c oughs> ังไว้หลวงพ่อถึงไม่นิยมสอนให้ปรุงแต่งนั่งแก้อาการนั่งเพ่งนั่งจ้องนั่งบังคับไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางเลยแล้วขวางทางเลยไหมหนีไปแล้วเหลือแล้วพอดูออกกยังมันเสลื่อยอย่างแนบเนียนเห็นไหมมันไปนิ่มๆแบบเราไม่ทันเราก็ไม่บังคับให้ทันนะเนะหนีไปแล้วเนะี่หนีแล่วหนีไปแล้พนะนะอดูออกกียัง มันเร็วมันเร็วจิตตอนนี้สบายแบาตะกี้เจ็บไหมแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรตอนนั้นไปตั้งใจปฏิบัติแล้ว <c oughs> ลนี่เราเรียนรู้เราจะเห็นสภาวะที่หลากหลายมากในที่สุดเราจะรู้ว่าสภาวะดั้งเดิมมาเป็นยังไงจิตที่ประพัดสอนนเป็นยังไงแล้วเร้าหมองข้อนจิเลศที่จอดมาเป็นยังไงนั่งเศร้าหมองไปหน่อยนะรู้ไหม ทีห่หันอยู่อย่างนี้ในนี่สุดเราจะเจอจิตผู้รู้ที่ประพัฒสอนอยังไม่ต้องรีบทำลายผู้รู้ตอนี้ให้รู้จักเหมือนกันขั้นสุดท้ายแค่ทำลายผู้รู้เวลาหน้างี่ๆมันจะพยายามเหมือนก็เคยฉีดไปสอนไปปฏิบัติอไปนไปอะไรบ่อยๆนั่นเหละเือรู้ทันในใช้ได้นั่นคือปฏิบัติเสร็จแล้ว เราปฏิบัตรปฏิรักษณะมันมีอยู่สองแบบนะไม่รู้ก็เผลอมีแค่นั้นเองขนาดที่เผลก็ไม่รู้ขนาดรู้ก็ไม่เผลอเมื่อเรารู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยความรู้สึกมันจะเบาเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานสติสัมปชัญญะหมุนรอบตัวได้อย่างคล่องแคล่วเลยไม่ฝืกไม่หนักไม่แข็งไม่เกร็ง เริ่มเปล่งนิดนะิดเลยไหมเริ่มมัวเริ่มเนี้ยเพาเราเริ่มปฏิบัตินี่เห็นไหมตรงนี้ดีกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมจิตเดิมมันประพัฒสอนอยู่แล้วเราไปทำให้มันมัวเองแม่เริ่มมัวอีกแล้วเหน <c oughs> อือหยุดไหมดูออกไหมเออให้มันได้อย่างนี้ ต้องอย่างนี้นะวกท้วย ร, รู้นะดีแล้วชื่อหมวกคืออะไรรู้ไหมคำว่าหมวกคาว่ากีเลสนี่นยนีน่กีเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเห็นไหมว่าหมองจริงจริงจิตผลางนะั้นจะตั้งหลงปฏิบักษจนเศร้าหมองเลย <c oughs> ติดมาตั้ง <c oughs> ใจนะเนาะเรียนให้ได้งนี้มีโอกาสอัดอนนี้ให้หลวงพ่อสักม้วนหนึ่งนะเอาไปให้คนอื่นฟังบ้างสอนซ้ำซ้ำทุกวันเหนื่อยเหนื่อย <c oughs> เป็นพิณมีครับจะได้ชัดหน่อยอะไรก็ได้นะ หรือเ็ฟก็ได้ดีๆก็ได้แนละ้วแต่เมื่ <c oughs> อเวลาสอนเดี่ยวๆนี่นะมันจะมีลำดับธรามาเยอๆะๆมันนี้มีลำดับแล้วธํมามะเดี๋ยวแข่งขึ้นแข่งลงมห็น <c oughs> ไหมข้ามองแล้วดูออกแล้วใช่ไหมนี่แหละคือการปฏิบัติละ <c oughs> มันคือสตาดอันหนึ่งเท <c oughs> ่า น, นั้นเองไม่ใช่อะไรที่น่ากลัว ไม่ใช่เรื่องลึกลับเนะี่ยการที่บีี่เอ่อคือการปฏิบัติที่ถูกเชื่อครับเรควรถ้าใครว่าสมมติว่าเราแยกออกมาเป็นผู้รู้ตัวรู้ก็คว่าเราไม่ได้จงใจทำนะถ้าเราจงใจทาอะไรสักนิดนึงผิดนะใชมแต่ว่าเบิร์ตสังเกตไม่ตรงพิจิตประพัสอนเมื่อกี้เนี่ยเิร์ไม่ได้ทำเบิร์หยุดทำต่างหากนมันถึงเป็นการกระทำของเราเราปิดกั้นมันเอาไว้ นจิตเยมันดีอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองพระกิเลสที่จอมาเนพระพุทธเจ้า พ, พูดไม่มีคาดเพือสักคำเดียวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำจิตผู้รู้ขึ้นมาหลวงป่อเขียนในหนังสือบอกว่ามันเป็นอาสังขาริจังไม่ใช่เกิดขึ้นมาด้วยการชักส่วนจูงใจให้เกิดต้องเกิดเองมันเกิดเพราะเราหยุดความปรุงแต่งมัน ถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งเห็นไหมรู้ทันที่เกิดแล้วแ ค, แค่นี้เองแค่นี้เองไม่จะิดตายเลยเกิดแล้วเห็นไหมไนี้หมายถึงไปเกิดเกิดกิเลสเกิดเศร้าหมองพอรู้ทันก็ดูตัวมันเพราะงั้นธรรมชาติรู้นนี้ไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาคล้ายๆอย่างอัดความว่างตรงหน้าตรงข้ออนี้ ไม่มีใครสร้างความว่างตรงนี้ขึ้นมาได้แต่เราทำให้มันไม่ว่างได้เราทำให้มันไม่ว่างเอาของมาใส่แต่เนี้ยหูวิ่งลุงลังเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือรู้ความแปลกปลอมที่เราไปปลูกแต่งมันขึ้นมาสิ่งแปลกปลอมหายไปเนี้ยสิ่งนี้มีอยู่แล้ว เอออย่างนี้นะอยู่ตรงนี้สังเกตเอาเอนี่แหละคือจิตที่เราพักสอนเนี่ยจิตจิตผู้รู้แหละเนีตรงนี้เป็นจิตผู้หลงเห็นไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมจนเดินถึงขั้นอรหัตตะมักได้เลยตรงเนี้หลวงตามหาบัวก็มาอยู่กับผู้รู้ทั้งวันเลยอยู่อยู่แปดเดือน วันหนึ่งเริ่มสังเกตเห็นว่ามันหมองได้มันหมองก็คือมันมัวนั่นแหละมันมีกิเลสนั่นแหละเจี๊ยบเนี่ยมันเกิดกิเลสแล้วใช่มันมัวละมัวเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งเพราะหลงความปรุงแตนงนี่พอท่านเห็นว่าโอ้ยผู้รู้เองอ่ะยึดถือไว้ไม่ได้ท่านปล่อยวางแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ท่านว่าอย่างนั้นนะเมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์เมท่านปล่อยวางจิต ปล่อยวางจิตผู้รู้ซึ่งของใสประพัสสอนนั่นเลยแลก็มีคำสอนกันบอกว่าเรื่องต้นตั้งกายอลหลาสมารถถึงจะเข้ามาตรงนี้จริงหอตั้งแต่สร้างวุธธการท่านนึงก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้สอนอย่างนั้น บันงหลักหลังหลวปู ด, ดูลเพิ่งได้สับมาขั้นต้นท่านก็หลวปู่บ้าให้ดูจิตและไมไปแล้วไปแล้วดูออกแล้วใช่ไหมอืมดีมแค่นี้เองดดีดีก็สบายอยู่แล้วชอบไปเอาอะไรใช่ใช่ใช่ อย่างนั้นเลยละ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีพอเราไปปรุมขึ้นมาเราก็ทุกข์ทุกข์แล้วเราก็ดิ้นโรนหาทางพ้นทุกข์ยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยเพราะทุกข์มันมาจากเหตการที่เราหลงดิ้นนั่หลนแล้วใช่ไดูออกแล้วใช่ไหมแม้หลวงพ่อบอกเราไม่ยากหรอก ดีมากอ้าวว่าไงโยทำไมจิดเศ้าหมองนั่งคัตสมาดก็ได้นั่งให้สบายเลยยนั่งคัดสมาดอะไรก็ได้ไม่หลงนะเนี่ยเออเป็นได้ เรียนกับหลวงพ่อจะต้องท้นทนท้นคนจริงๆมันยากจริงๆเหมือนยากส่มกสไม่ให้ปรุงใช่ไหมแต่ถ้าเข้ากัปเห็นตรงนี้ได้ตัวเองนี่เนี่ยการปฏิบัติต่อไปนี้ล้าขึ้ม น, นะง่ายที่สุดเลยไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะทําธุงกินนะพราทำยี่สิบปี่มาตรงนี้เลย เนี่อวิธรรมเขาเรียกว่าอารมณ์ p รมัต a t t ของจริงๆเลยรู้ได้จริงๆเลยรู้ได้ด้วยญาณทัศนะ้วยปัญญารู้ลงไปได้เลยถึงได้อัศจรรย์มากธรรมะไม่ใช่ว่าไปไม่ดีนะไม่ใช่ว่าผู้รู้ดีนะสภาวะกระมานนี้เสมอกัน หน้าที่เราก็รู้ทันทั้งสองเดี๋ยวเบิร์ตจะเป็นกบใจว่าตายแล้วไปทั้งวังหนะึ่งทําไงจะอยู่กับรู้ ไ, ได้รู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้สองสภาวะนี้เสมอกันถ้าเราเรียนว่าสองสภาวะนี้ไม่เสมอกันนะเรายังเดินอีกยาวอืมก ไ, ได้ดีมาก ไปบวชได้แล้วไม่ไหวนั่นและดีเห็นไหมนั่นคือความจริงเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเห็นไหบางคับไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ไม่แค่ตัวไม่แค่ตนผมเห็น ไ, ไม่เข้าเหมือนอะไรที่เขาทํางานอิสระไม่ใช่ตัวเราเลยเห็นไจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราดูอ อ, อกไหมมันทํางานอิสระของมันได้ อนุโมทนาด้วยนะทาได้ดีเรียนได้ดีฟังกี่หนเนี่ยถึงเข้าใจ ถ้าตื่นใจว่ามันไปปล่อยแล้วก็นึกถึงคำหลวงพ่อไปนะว่าสภาวะที่ไปกับสภาวะที่รู้ไม่เข้าเทียมกันเอย่าตกใจเราไม่ได้เกลียดอันหนึงออนน่งจะเอาอันหนึ่งเรารู้ตามความเป็นจริงครับรู้ตามความเป็นจริงก็รู้ว่ายึดไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไร <c oughs> นไะหเป็นของที่ไม่อยู่นิ่น <c oughs> หนึ่งเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกไหมมันลิงกระโดดอยู่บนต้นไม้มือ น, นี้วคว้าจิงหนึ่งยังตัวแวกคว้ากิงหนึ่งปล่อยอันหนึ่งคว้าหนึ่งส่อยหนึ่งค้าหนึ่งคือภาวะ น, นี้ล้วนๆหนึ่ง <c oughs> นั่นที่เรารู้ไปได้เริ่มจะทำแล้วฮึมมฮึมหลายคนมานเยอะๆมี <c oughs> ข้อสอนไม่ค่อยได้ผลมีต้องสอนที่หลาคนต้องสอนให้เห็นสภาวะ อ่ามีน้องใหม่ที่เห็นพืชของจิตอีกคนหนึ่งแล้วใช่แล้ว